เรียนธรรมะวันหนึ่งจะได้อิสระภาพนะมีความสุขมีอิสระภาพเป็นอิสระจริงๆคนในโลกนี้ไม่มีอิสระเป็นทาตเรามีเจ้านายที่มองไม่เห็นอยู่คนหนึ่งสั่งงานเราทั้งวันเลยไม่มีให้หยุดพักเลยนะคือตันหาสั่งตลอดไปทำโน่นไปทำ น, น, ทำนี่ห้ามทำโน่นห้ามทำนี่สั่งเราตลอดเวลาเลยมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดถ้าสั่งแล้วเรายอมทาตามที่มันสั่งนะมันจะโยน ความสุขให้เรานิดหนึ่งเหมือนเลี้ยงสัตว์เลยเหมือนถูกเลี้ยงไว้เล่นละครสัตว์เราทาตามที่เขาสั่งนะเขาโยนเศษเนื้อให้ชิ้นหนึ่งเวลาตัญหาสั่งให้เราทำโน้นทนํานี้เรายอมทําให้ความสุขเรานิดหนึ่งแล้วก็สั่งงานใหม่เลยถ้าเราไม่ยอมทําตามที่มันสั่งนะหรือทําให้สําเร็จมันลงโทษนะโยนความทุกข์ก้อนใหญ่ๆมาให้เวลาโยนความสุขมาให้นะก้อนเล็กนิดเดียวนะโยนความทุกข์ทีหนึ่งก้อนโต เราสั่งงานตลอดเวลาเลยไม่เคยให้เราได้พักเลยเราเป็นทาตทาตที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาตุเงี้ยไม่มีวันเป็นอิสระได้เลยเกิดเราเฉลียวใจนะรู้ทันตัณหาเกิดขึ้นในใจรู้ทันนะถ้ารู้เลยว่ามีเจ้าหน่ายลึกลับเป็นทาตที่รู้ว่าเป็นทาตวันหนึ่งก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ความหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความเป็นทาตนะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาหลุดพ้นจากความปรุงแตง่ง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 กิเลสตัณหาทั้งหลายนะเหมือนผีนะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าผีกลัวแสงสว่างนี่เป็นความเห็นผิดน่ะแต่ว่าอนุโลมตามไปผีไม่กลัวอะไรความสว่างเพียงแต่ว่าตอนสว่างเราไม่กลัวผีแค่นั้นเองอ่ะเราก็มาโทษว่าผีกลัวความสว่างเราเออกลัวความมืดต่างหากน่ะแล้วก็มาโทษว่าผีกลัวความสว่างโอ้ยมันหลอกตัวเองกิเลสเหมือนผีอ่ะสมมุติผีอย่างโลกโลกนะกลัวแสงสว่าง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 ทั้งแรกเราจะเป็นพระโสดาบันสนะังหารสังโยชนไปอาสวะถูกทำลายไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เกิดอีกได้โสดาแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อยไม่แปรบายไม่แปรอใบด้วยการเกิดอีกแต่แปออาบหลังจากเกิดแล้วได้เพราะนอย่างพระโสดาบันนะยังทุกข์อีกไม่เกิดในอบายแต่จิตนั่นแหละยังเวียน เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็เกลีเดี๋ยวก็หลงคล้ายๆปูตุชนนั่นแหละนะงั้นยังวนเวียนอยู่เขาเรียกว่ายังรับอากุศลอยู่นะเรียกอะไรนะประวัติการใช่ไหมไม่ได้ประสนธิการแต่ว่าเป็นประวัติการเกิดตามตามมาเป็นคนแล้วก็ยังเจอความทุกข์ได้อีกอย่างนางวิสาขาเป็นพระโสดา ว่าหนึ่งหลานสาวตายร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้ายังทุกข์อีกนะยังพอนาไม่พอถ้าภาวนาพอไม่ยุดกายไม่ยุดใจมันก็ไม่ยุดหลานหรอกนไี่ะก็ไม่ทุกข์เลหลานตายก็ตายไปตัวเองก็ไม่ยุดตัวเองตัวเองจะตายก็ไม่ทุกข์นะฝึกไปเรื่อยเราเป็นอิสระมีความสุขนะคนที่เป็นอิสระมีความสุขคนที่ไม่เป็นอิสระก็ทุกข์ไปก่อนขอให้รู้ว่าเป็นทาตไว้ก่อนเท่านั้นะพอแล้วอย่านึกว่ากูเก่งนะ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 เราอย่าไปปรุงแต่งนิพพานขึ้นมานะเป็นน้อมใจให้ว่างๆแล้วบอกนิพพานนะั้นนิพพานปลอมนิพพานจริงๆไม่มีเข้าไม่มีออกหรอกนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่ตาเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นเองไม่เคยเว่า๊าเคยแหว่งเลยนะไม่มีเหตุให้เกิดเลยแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่คนไปรู้นิพพานตายนะตายได้เพราะเป็นขันหลวงพ่อเคยแต่งนิพพานมีข่าวหนึ่งนะภาวนาตอนนั้นหลวงปู่เทศยังอยู่หลวงปู่ ด, ดูลไม่อยู่ละ ภาวนาไปเราก็เห็นจิตมันไหลหไปเคลื่อนเข้าไปวาเวลามันไปรู้อารมณ์มันจะเคลื่อนเข้าไปใส่อารมณ์นะเราก็ปล่อยให้มันเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทัน oui, ทุกครั้งเวลามันจับเข้าไปแล้วบางทีก็ถอยออกมาก็ามาจับตัวรู้อีกนะไม่จับอารมณ์ก็จับตัวรู้วันนี้ลองเล่นๆดูสักทีแตะว่าให้ม край, ันไหลไปน้ําไหลไปพอมันจะไปแต่อารมณ์นะเราไม่เอาใจมันถอนขึ้นมานะไม่ได้ดึงนะใจมันถอ ย, อยขึ้นมาเองถอยถอยถอยพมันจะถอยเข้ามาหาตัวรู้นะไม่เอานะฮะ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 ถ้าติดล่าจะมาจะแก้ให้โอ้เราสนุกสิอาจารย์ให้ท้ายเรานะเล่นใหญ่เลยเล่นเล่นเล่นเล่นสบายวันหนึ่งไปสัมมน า, าที่เชียงใหม่ราชการอนะันนี้ใสถาวรของราชการนะยากจนแต่ชอบกินเลี้ยงตกค่๊นะกนะ็ต้องกินเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาไปนอนโรงแรมพักโรงแรมเนี่ยกินเลี้ยงร้องเพลงกินเหล้าหลวงพ่อแมวด้วยอ่ะ ไปถึงจังหวัดไหนเขาร้องเพลงกินเหล้านะเราหนีเข้าวัดทุกแห่งไปนี่วันนั้นหนีไปอยู่เชียงใหม่จะหนีไปไหนดีเอ๋อหนีไปวัดสันติธรรมนี่แหละใกล้ที่สุดแล้วเป็นวัดของหลวงปู่สิมอาจารย์ทองอินอยู่ที่นั้นไปคุยกับอาจารย์ทองอินดีกว่านี่อาจารย์ทองอินเป็นพระาธาตุแล้วนะเอามาเป็นพระาธาตุเรียบร้อยแล้วไปคุยกับท่านนะไปหาท่านพอไปถึงหน้าวัดนะมืดตึ๊ดตึ๊เลยไม่มีไฟฟ้าสักดวงมืดมืดมืดมื ด, มดเปรี่ยวมากเลย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 เดี๋ยวท่านดีดตกกุฏิมาอยจะว่าไงเราไม่รู้จักอ่ะไม่เอาไม่ไปไ ป, ไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะอยู่สักชั่วโมงออกมานะหูยหนาวเยือกเลยพระนั้นยังมาดักอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินอีกนะท่านก็บอกไปหน่อยหน้าไปหน่อยน้ถ้าทางท่านชักกระวนกระวายแล้วเราทําท่าไม่ไปจริงนะเสร็จแล้วเราเเสียไม่ได้แปลกเลยอยู่ๆก็มาเรียกเอาเรียกเอาเนาะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็ไปตามท่านไปนะขึ้นไปไปทางหลังวัดขึ้นกระไดไป อยู่ชั้นสองอยู่องเดียวแหละกุฏิเป็นไม้ขึ้นไปถึงนะั้นนึกว่าท่านอยู่ในห้องไม่อยู่หรอกท่านอยู่ที่ระเบียงระเบียงก็เล็กๆมีตังอยู่ตัวหนึ่งนะท่านนอนกลุมโป่งอยู่ท่านเป็นไข่นะไม่สบายมากเลยมาเชียงใหม่เนี่ยเพื่อจะมารักษามาหาหมอเพาขึ้นไปถึงนะท่านก็โผล่ออกมาเราก็มองไม่เห็นหน้าท่านหรอกนะมันมืดตื้อเลยเห็นตะคุ่มตะคุ่มนะแล้วกราบท่านชีนะ้หน้าไงภาวนาไงา เราก็เล่าให้ฟังนะเราไม่เอาผู้รู้ไม่เอาสิ่งที่ถูกรู้นะไม่เอาอะไรเลยนท่านตะคอกเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกะดูเอาเลยนะงไงจะภาวนายังไงนี่ถามเราอีกเรานืกอ๋อท่านฟังของเราไม่เข้าใจนะนะไม่ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะคิดว่าสำเนียงอะไรเงี้ยเวลาคุยกับครูบาอาจารย์บางทีพูดฟังกินไม่ค่อยรู้เรื่องสำเนียงไม่เหมือนกันเราก็เล่าซ้ํานะ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 พอใจเราหลุดปุ๊บนะท่านหัวเราะเลยเสียงดังเลยนะฮ่า ๆ, ๆอย่างเงี้ยเนะเสียงดังพอท่านหัวเราะเราก็คลืมใจนะหัวเราะตามท่านเโดนท่านหลอกอีกแล้วหัวเราะ ก, กากเลยนะฮ่า ๆ, ๆแข่งกันนะอาจารย์กับลูกศิษย์พอหัวเราะปุ๊บนะท่านหยุดกึกเลยพอเราเห็นท่านหยุดนะั้นเราก็หยุดใจเราก็นิ่งเลยนะหลุดจากอารมณ์ปุ๊บผ่านเออใช้ได้ไปได้แล้วไปเสร็จแล้วพระหนุ่มนะตามหลวงพ่อมา มาหน้าวัดวัดมันเปลี่ยวนะท่านจะมารอส่งขึ้นสองแถวนะมาถึงท่านก็บอกเนี่ยอาจารย์บุญจันทร์นะท่านสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วนะวันนี้เอาตัวมาให้ได้นะสั่งไว้อย่างนี้นะที่เราไม่รู้จักท่านนะสั่งให้เอาตัวไปให้ได้เลยอุตส่าห์แก้ให้เราสายแก้ให้ไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามเลยแก้ให้เลยโอหอาจารย์บุญจันทะร์นาอัศจรรย์มากเลยท่านมรณภาพก่อนหลวงพ่อบวชยังไปเผาศพท่านเนะ ตอนนั้นดังตรินนะขับรถพาไปไปเผาท่านอยู่แถวปักช่องท่านมาพักที่นี้เลยเผาทางนี้เลยไม่ได้กลับไปวัดท่านเผาไปตั้งแต่ก่อนเราจะบวชนี้บวชมาแล้ว 3, สมพันษานะพอพ้น 3, สามพันศามาแล้วเนี่ยวันหนึ่งลูกศิษย์ท่านมาเยอะเลยมาจากเชียงใหม่สิบกว่าคนถามมาจากไห น, นมาจากเชียงใหม่ใครบอกให้มาตอนนั้นไม่ค่อยมีคนรู้จักเราเท่าไหร่บออาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ให้มา วันนี้ปีนี้เดือนนี้ให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้ที่นี้ที่นี้นะสั่งลูกศิษย์ก็มานะมาดูว่าอาจารย์สั่งแม่นไหมต้องการเท่านั้นแหละไม่รู้เจตนาลมของอาจารย์นะตั้งแต่วันนั้นไม่เจอกันอีกเลยนะ <c oughs> เราหัวเราะเนาบางทีเราก็เดยอยางนี้เหมือนกันแหละนิพพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกนะก็นั่งมาแล้ว เ, เห็นนิพพานแะล้ว อ, ออกมานิพพานหายของเกอ เนะมื่อไรที่ใจพ้นจากตัณหานะใจหมดความอยากใจก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งใจที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งไม่มีภพใจก็อยู่กับนิพพานเห็นนิพพานนะงั้นเมื่อไร่สิ้นตัณหามันนั้นก็เห็นนิพพานอยู่ที่เร า, าทํำยังไงจะสิ้นตัณหาสิ้นเป็นคลาลพวกเรา่สิ้นเป็นคลาลใช่ไหมอยากไปดูหนังพอไปดูหนังก็สิ้ น, นตัณหาละหมดความอยากจะดูหนังละนะ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 การรู้ทุกทุกคืออะไรบอกไปหลายทีแล้วทุกคือรูปกับนามเพราะเราไม่รู้แจ้งความจริงของรูปของนามนะะเรียกว่าไม่รู้ทุกอย่างนี้เรียกรู้ทุกไหมสมวติเราเนี่ยมือเป็นรูปใช่ไหมเราจ้องมือเรารู้รูปถามวันนี้ล้างอาวิชชามาคนละเรื่องไม่ใช่รู้ด้วยตานะแต่ต้องรู้ด้วยปัญญารู้ความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามนั้นเป็นไตรลักษณ์อันนี้ถึงจะเรียกว่ารู้รูปรู้รรนามรู้ทุก ถ้ายังไม่เห็นว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่ารู้ทุกจริงหรอกนะหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ไม่ใช่การละเรานั้นเวลาทุกเกิดไม่ใช่หาทางละนะทุกมาให้รู้สมูทัยคือความอยากมาให้ละนิโรธคือนิพพานต้องทําให้แจ้งมักทําให้เจริญทําให้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดบ่อยๆต้องเกิดให้ได้สครั้งนะเกิดครั้งเดียวก็เรียกว่าเจริญขึ้นมาหน่อยหนึ่งเกิด2อทีก็เจริญมากขึ้นนะมักทําให้เจริญนะต้องเจริญให้ได้สี่รอบ งั้นรู้ทุกไปถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งเห็นความจริงว่ากายแก่ใจเนี่ยเป็นตัวทุกรุน่นรุ่นไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีความอยากรู้ทุกแจ่มแจ้งนั้นก็จะละสมุทัยอัตโนมัติงั้นการรู้ทุกนี่แหละจะทําให้กิจของอริยสัจสี่ทั้ง4ี่กิจเนี่ยทำเสร็จในทีเดียวเสร็จทีเดียวกันเลยนะรู้ทุกแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้น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 แ่ความอยากไม่มีใจก็ไม่ดิ้นใจหมดความดิ้นรนไม่สร้างพบสร้างชาตินะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานะในขณะที่รู้ทุกข์จนลา้าสมุทยัยแจ้งนิโรธนะั้นขนาดนั้นแหละเกิดอริยมรรคงั้นทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคนะกิจสอย่างเนะี่เรา ท, ทําทีเดียวเลยนะทําเกิดขึ้นในขณะเดียวกันได้ก่อนที่มันจะเกิดขณะเดียวนะเราก็คอยรู้ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรืเมื่อไหร่เห็นความจริงว่ามันตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะนั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข เราก็จะพ้นทุกได้รู้ทุกเราพ้นทุกนะหนีทุกไม่พ้นทุกหรอกเราจะหนีทุกไปไหนก็กลายเป็นทุกอ่ะหนีไปแล้วไม่เอากายไปด้วยเหรอะหนีไปแล้วไม่เอาใจไปด้วยเหรอใจเป็นทุกอะไปไหนก็เอากายเอาใจไปเพราะฉะนั้นเราหนีทุกไม่ได้นะหนีทุกไม่ได้ท่านให้รู้ไม่ได้ให้หนีไม่ได้ให้ละด้วยให้รู้เอาให้ละอะไรให้ละความอยากซะทีแรกก็ละด้วยสตินะรู้ทันความอยากละไปเป็นคราวๆแต่ไปละด้วยปัญญานะเห็นแจ้ง ในกองทุกในรูปในนามตอนนี้ละเป็นสมุดเฉ็ดเลยล้ะแล้วไม่มีตัณหาเกิดขึ้อนอีกแ ล, แล้วเราฝึกนะวันหนึ่งเราจะได้ความสุขที่มหาศาลเลความสุขที่พ้นจากความปรุงแต่งไม่ต้องกลัวนะว่าภาวนาแล้วโอ้เดี๋ยวหนูเป็นพระละหาันแล้วหนูต้องตายในเจ็ดวันอย่างเงี้ยะโอ้พระละหัน์ไม่กลัวตายหรอกเราไม่ตายหรอกไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะไม่ได้เป็นพระลราหันง่ายหรอก มีอยู่คราวนะอยู่กับหลวงปู่หลว ง, งปู่ดุลพงศ์เชษฐ์ถามหลวงปู่หลวงปู่ครับคือเจ้าเล่ย์ตอนนั้นเขาบวชอยู่นะแล้วเขาภาวนาดีด้วยแต่ว่าจะศึกอะอยากศึกที่จะศึกเพราะว่าพ่อแม่เคี่ยวเข็นให้ศึกแล้วจะไปศึกก็ไปบอกหลวงปู่หลวงพ่อนั่งอยู่ด้วยนะเรานี่แหละเป็นคนเอากางเกงไป <laughs> พ่อแม่เขาฝากมาเอากางเกงขึ้นไปเอาลูกเขาศึกมา นี่รับอาสาไปศึกพระก็ไปนั่งอยู่กับหลวงปู่พงค์เชิดเขาบอกหลวงปู่ครับผมจะมาลาสิกขาท่านก็บอกท่านก็ฉเฉยนะเงียบไม่พูดพูดครั้งที่สองแล้วพอครั้งที่สท่านก็ถามว่าภาวนามาถึงอย่างนี้ยังจะสื่ออีกเหรอนี่ยบอกต้องศึกครับเพราะว่ารับปากพ่อแม่ไว้แค่นี้ท่านก็เฉยนะท่านก็ไม่อนุ ญ, ญาตให้พูดนี่ก็อุบายรครับหลวงปู่ครับ เป็นคารวาสเนี่ยทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้ไหมครับทำได้ในใจก็กระยิมนะทำได้เดี๋ยวเราก็ไปทำเอาหลวงปู่หันกลับมาใส่เลยไม่ได้พูดนะคิดด้วยความลำพองเดี๋ยวเราไปทำเอาหลวงปู่หันกลับมาเลยมันจะไม่ได้กันสิ <laughs> <laughs> ไปหลอกถามท่านนะคารวาสก็ทาได้ใช่ไหมครับท่านบอกได้พอใจลำพองทนะ่านท่านจจกเลยมันจะไม่ได้นะสิ เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทําไงนะก็ท่านบอกไปไปไปไปให้พระอื่นศึกให้นะท่านยอมให้ศึกท่านรู้สึกห้ามไม่ฟังแล้นี่ก็ถามท่านหลวงปู่ครับถ้าเป็นพระอรหันต์เราต้องตายในเจ็ดวันใช่ไหมครับเห็นไหมสนใจแต่เรื่องอย่างเนี้ยเริืมกายลืมใจหมดทั้งห้องเลยนะหลวงปู่บอกว่าตําราเขาว่าไว้อย่างนั้น นี่ท่านตอบดีนะความจริงตําราบอกตายในวันเดียวนะวันนั้นแหละท่านบอกตําราว่าไว้อย่างนั้นฮงเช่ก็ถามต่อแล้วที่ไม่ใช่ตําราล่ะครับท่านบอกพระละหันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนพระละหันไม่ใช่ขราวาสไม่ใช่พระพระละหันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่แล้วจะบวชหรือไม่บวชท่านก็เป็นพราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจต้องสงเคราะห์โลกอะไรท่านก็นิยมนิพพานไปเลย เพราะว่าอยู่กับโลกเป็นค า, ารวะนี้สมมติว่าคุณแตมเป็นพระละหันผู้หญิงไปไหนคนเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ดูถูกเดี๋ยวเขาก็ด่าเดี๋ยวเขาอะไรเงี้ยแลรู้สึกนิพพานจะดีกว่าคนอื่นเขาจะได้ไม่บาปสงเคราะห์มันอ่ะะไม่มีธุระแล้วก็นิพพานไปถ้ายังไม่อยากยังมีธุระอยู่นะยังไม่นิพพานก็ไปบวชซะคนด่าน้อยหน่อยถามว่ามีคนด่าไหมมีพระพุทธเจ้ามันยังด่าเลยทำไมนะน ะ, นะพระอื่นๆทำไมมันจะด่าไม่ได้ หลวงพ่อหานิทานมาเล่านะเพื่อหลวงพ่อจะได้ตรวจกันบ้านน้อยๆห น, น, น่อยเวลาตรวจกันบ้านนลใจจะขาดออยากทราบว่าอย่างของผมนี่จะใช้วิธีดูจิตหรือจะใช้วิธีทําของะคุณต้องลูก้กายไปด้วยนะรู้กายไปด้วยใช่ไหมครับรู้กายไปด้วยจิตมันรักไกายเยอะอยังถือว่ายังติดนิ่งอะไรพวกนี้ไหมครับติดนิดหน่อยแต่ว่าติดแต่เปลือกนะข้างในเริ่มเคลื่อนแล้ว ก็คือยังเห็นว่ามันเคลื่อนอย่างประคองยังประคองอยู่ใช่ไหมครับแตม่มันจะเคลื่อนอยู่แล้วออืมย่ากดไว้อ่าก็คือต้องปล่อยให้มันปล่อนปล่อยแล้วตามดูมไม่ใช่ปล่อยตามยถ า, ากรรม <c oughs> ครคนทั่วไปที่เขาไม่พอภานะเขาปล่อยนะแต่ก็ปล่อยตามยถ า, ากรรมคือใจก็ทํางานตามกิเลสไปเรื่อยๆส่วนพวกเรานะปล่อยเหมือนกันให้ใจมันทำงานตามธรรมชาติแต่เรามีสติตามดูไป เพราะฉะนั้นก็ให้สวดมนต์อะไรพวกนี้ทุกวันทำไปสิส<ด>นะแล้ว <ไป S 1> ร, รู้สึกกายไปเรื่อยๆหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูอย่างนี้เรื่อยๆนะชอบเดินจงกรม อ, อ่ะถ้านั่งแล้วหลับอะและ้วครับต้องฝืนใจเดินไว้ก่อนครับอย่าหลับหลับน่ะไปนอนดีกว่ามาสักการหลวงพ่อคะ่ะ เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะแต่มันยังไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่อะคะ่ะก็จะมารบกวนขอกันบ้านนะคะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร ด, ดีนะคะเอากันบ้านแล้วต้องจริงจังนะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ขอแล้วปีหน้ามาขออีก <c oughs> หมูนี้ยังไม่ได้ทําไม่ได้นะไปดูจิตไปเราเป็นคนช่างคิดรู้สึกไหมพ <c oughs> ี่เจ้าโมโหด้วย <c oughs> ดูง่ายหรอกไปดูเอาเอาดาว โมหะน้อยกว่าเมื่อเช้าค่ะแต่ว่ามันไม่ตั้งมั่นเออจะไปกดไว้ดูอกไหมยังมีโมหะอยู่ดูใช้ได้ดีกว่าเมื่อวานด้วยคุณแตมมีโมหะเหมือนกันค่ะหลวงพ่อก็เบากว่าเมื่อวานดออกไหมมันมีแรงมากขึ้นดูออกไหมหลวพ่อจะมีคำถามนิดนึงค่ะความเป็นกลางที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าค่ะด้วยปัญญาเนี่ยเราต้องสะสมเหมือนกันต้องสะสมนะเจริญสติไปนี่แหละทำสติปัฏฐานวิปัสนาไปนี่แหละ แล้วปัญญาที่เป็นกลางกับสังขารถึงจะเกิดขึ้นมันคือวิปัสสนาญาณตัวที่9สังขารู้เบิกหายานงั้นเรามีสติดูไปเรื่อยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ห้ามเกิดห้ามดับในยนต์แก่แล้วนะอะว่าไปอ <c oughs> ว่าแก่ทีเดียวพูดไม่ออกเลยอ่ะยังสาวอา่อ <c oughs> แต่สาวน้อยหน่อย ยังโมหัแล้วก็โทสะอยู่ตลอดเลยดีขึ้นนะช่วงนี้ยค่ะจิตใจค่อยสงบสันติมากขึ้นหน่อยเมื่อคืนนี้อึ่งอ่างมันร้องดังมากเรื่องของอึ่งอ่างใครจะไปอุดปากมันได้ทีแรกแบบโมโหมันด้วยค่ะฟุ้งซ่านแล้วส่งให้ลูกเห็นบ้างชาฟุ้งซ่านแะ้น้องชายไปไหนอ่ะน้องชายตอนแรกจะมาอยู่ค่ะแต่ว่าติดเรียนก็เลยไม่ได้มาค่ะ ก็ตั้งมั่นกว่าเมื่อวานค่ะเพราะว่าเพิ่งตั้งมั่นได้เมื่อเช้านี้แต่แต่ไม่ถึงฐานด้วยออกไหมตอนนี้ไม่ถึงฐานเออตอนนี้ไม่ถึงฐานใช้ได้ค่นะอ่ะต่อไปเบอร์สามสิบสการ์พัชจารย์ค่ะก็ขอคําชี้แนะดูสภาวะกังวลนะคะคือเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเโยมจะเห็นความกังวลมันเครือบอยู่บางๆมากเลยอะคะ่ะ จิตที่รู้นี่ก็คือยังปกติไม่ได้ทุกขหรืออะไรแล้วจิตเขาก็ยังยังเห็นอย่างอื่นตามปกติอะคะ่ะ hmm. แต่ว่าพอเราเห็นอย่างอื่นดับมันก็ยังเห็นความกังวลอยู่เรื่อยๆมันก็เกิดความลาคาญ hmm. ท่ น, นี้มันก็เกิดมันนึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เห็นตอนความกังวลมันเกิด hmm. แล้วมันเหมือนมันทาราเล่กับไอ้ตัวจิตที่รู้อะคะ่ะก็มาจําว่าพระอาจารย์บอกว่าจิตมันเกิดดับทีละขณะ hmm. ทีละดวง โยมก็นึกว่ามันคงเร็วมากจนเหมือนเหมือนมันซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็จิตมันก็หมดแรงไปด้วยค่ะเป็นอาทิตย์มันถึงมันถึงดีขึ้นคือก็ไปทําออกกําลังกายแล้วมันก็ดีขึ้นทีนี้พอมาต้นอาทิตย์มันเหมือนมีแรงขึ้นมาใช่ไหมคะยูอดีจิตเนี่ยเขาก็ไปดูที่กลางใจที่กลางใจโยมมันก็มีอะไรผุดมันก็ดับอมีอะไรผุดมันก็ดับเสร็จแล้วมันวิ่งไปที่หูดับ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 <C HA> อย่าคิดเอานั่นก็คือให้ถ้าจะเห็นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่าจ้องไว้ที่กลางใจค่ะ <C HA> นะ <C HA> ขอบคุณค่ะอย่าจ้องเอาไว้เห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นไหมทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรามันผุดขึ้นได้เองมันดับไปเองไม่มันสอนธรรมะเราอยู่นะข้อห้ามมีอันเดียวอย่าจ้องมันถ้าจ้องมันจะเหนียมไม่มีอะไรโปลให้ดูเลยอ่า <C HA> นสังเกตได้ไหมคะ <C HA> ก็ดูเป็นคราวๆนะดูอย่าลืมมันไปนานแต่อย่าไปจ้องเอาไว้ค่ะ เมื่อแป ค, ค่ะตอนนันดีคุณอนะเมื่อแปดเบอร์แปดผอเพิ่งมามาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เพิ่งจะฝึกขอกันบ้านอาจารย์ช่วยพระอาจารย์ช่วยแนะนําได้ค่ะเอาจริงนะ <c oughs> ทํำไหมทําค่ะทำนะ <c oughs> ไปหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไปหากรรมาฐานมาสักอันหนึ่งจะพุโทโธก็ได้จะ อ, อะไรก็ได้ เคยทำอะไรบ้างเปล่าเคยนั่งสมาธิตามลมหายใจเออเราหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปไม่หายใจให้จิตนิ่งนะแต่หายใจแล้วรู้ทันใจหายใจไปแล้วจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วจิตวิ่งไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจแล้วเพ่งอยู่รู้ทันหายใจแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆ <c oughs> ไปลองตัวนี้นะ <c oughs> ลองดู่อ <c oughs> ไปดูจิตชานาญมันก็เห็นได้ทั้งวัน่ะเราทุกวันก็ซ้อมหายใจไปแล้วก็ดูจิตไป ไม่ได้ให้นิ่งนะจำไว้นะไม่ได้ให้นิ่งร้อยบหกอยู่ข้างหน้ า, าริธีมรหลวงพ่อค่ะคือก็ดูจิตดูจิตอยู่แต่คิดว่าหลงนานค่ะแล้วก็คิดว่าดูกายได้ชัดกว่าดูจิตก็ดูกายไปสิไม่เห็นจะมีปัญหาเลยดูกายก็ได้แต่ดูให้เป็นสังเกตไหมร่างกายเป็นของที่จิตไปรู้เขาดูออกไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ Uh, คิดว่าพอดูออกนะดูแบบนั้นนะไม่ใช่เพ่งกายแต่ของคุณมันจะชอบเพ่งกายมากกว่าดูกายถ้ารู้กายนะจะเห็นในร่างกายเหมือนคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นเลยยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยเหมือนดูคนอื่นน่ะแต่ถ้าเราไปเพ่งนะมันจะรู้สึกเข้าไปเกาะอยู่เข้าไปเกาะอยู่ที่ร่างกายของคุณยังเพ่งเยอะไปลองดูกายให้หลวงพ่อดูสิคิดว่ามันดูแรงไปหรือเปล่าคะใช่มันเข้าไปเพ่งกาย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 ถ homem, <g> ้าดูไม่ออกนะดูร่างกายไปอ๋อดูร่างกายเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นครับนั่นแหละของคุณดูกายไปดูกายนะคะเอบอกให้ดูจิตต่าจารไม่เห็นสักอันเนั้นดูกายเอาค่ะขอบคุณค่ะเบอร์39ก้าราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาปีหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะใช้แนวทางของพระอาจารย์นะครับส็นเกตไหมว่าใจเราเบาลงครับแต่ก่อนเราเพ่งแรงกว่านี้เยอะเลยครับเคยมาไหม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 มันเกิดมันเกิดความคิดขึ้นมานะครับในส่วนของในเชิงปัญญานะครับมันเห็นว่าทุกๆสิ่งอย่างเนี่ยนะครับเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเนยนะครับมันก็ถอดถอนทั้งหมดเลยอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันมันคิดเร็วไปครับนะปัญญามันล้าหน้าไปครับดันั้นจิตจะหลุดออกมาเลยมันจะหลุดออกไปเลยครับอ่มันหลุดออกมามขาหลุดจากกรรมฐานเลยอ๋อหลุดจากกรรมฐานนะครับส่วนนี้ส่วนหนึงคำถามที่สนะครับก็คือว่าตอนช่วที่เห็นปฏิจัยสมุทปาทนะครับมันเกิด ลักษณะเป็นกายมันสะท้านนะครับอืมันเป็นอาการอะไรครับก็ดีสินะมีปัญญาขึ้นมารู้ทันมันอกายไงช่างมันเถอะบางองค์กายเระเบิดไปเลยอ๋อครับไม่เป็นไรครับก็ของคุณของคุณมีจุดอ่อนอันหนึ่งนะครับคุณเนี่ยมันคิดเยอะไปอ๋อครับระมันระหว่างตัวนี้หน่อยนะให้รู้เอาอย่าคิดเยอะครับกลับมาคเจ็ดสิบสี่การนมัจการหลวงพ่อครับ มาหลังสุดเมื่อกุมภาพันธ์แล้วอาจารย์แนะนําว่าผมมีอาการเพ่งอาจารย์ให้บอกให้ให้ใหใหรู้ไปตอนนี้ไม่ทราบว่ากระดูออกไหมล่ะมันเบากว่าแต่ ก, ก่อนมันเบาลงครับเบาแล้วรู้สึกไมใ้มสบายขึ้นใช่ครับแล้วเห็นไหมใจเราทํางานได้ทั้งวันถ้าเพ่งไม่ทํางานนะก็นิ่งๆครับดีที่ไม่เพ่งไปปล่อยให้มันอย่างนี้ยรู้สึกไหมจิตเบิกบานมันก็ปล่อยแล้วก็ดูปล่อยแล้วก็ดูจะดีกว่านั่นแหละฝึกอย่างนั้นนะครับผมดี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 ทำยากนะต้องถึงฌานมันจะตั้งขึ้นถึงฐานคือเวลาที่หนูนั่งภาวนาเนี่ยพอถึกพอจิตสงบไปแป๊บนึงมันจะตัวโยกค่ะคิดว่าตัวโยกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อให้ดูจิตตาไปตัวโยกก็ส่วนของตัวนะจิตสงสัยว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัยนะกลับมาดูที่จิตเวลาที่ทําสมาธิแล้วเกิดนิมิตหรือเกิดอาการอะไรขึ้นมาย้อนกลับมาที่จิตทุกอ ย, อย่างหายไปหมด ยังคือก็กกทําแบบนี้แต่ว่าพอมีอยู่ล่าสุดทำํำร้อยเห็นจะอาเจียนนะคะก็เลยตกใจอย่งางนีงน้ก็ไม่เอาเครียดไปเครียดไป เ, ออเราที่เดินจงกรมอย่างนี้เห็นว่ามันฟุ้งมากแล้วเดินรู้มันฟุ้งไม่ได้เดินให้มันสงบค่ะถ้าเราเดินแล้วก็ไปบีบให้มันสงบเดี๋ยวอาเจียนอีกออมันเครียดออขอบคุณค่ะเบอร์ร้อยแปหนึ่งกลาวในมัสกการค่ะหลวงพ่อ ค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีคือจิตมันกระทบอารมณ์อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอกระทบอารมณ์ปุ๊บรู้สึกว่าจิตมันหลบเข้าสมาธิแล้วหนูรู้สึกอึดอัดมากเหมือนกับมีอะไรมาครอบอยู่อะค่ะใช่สิถติดตัวนี้อึดอัดไม่ชอบรู้ไหมรู้ค่ะให้ไม่ต้องไปดูตัวอื่นเลยรู้ทันใจที่ไม่ชอบนะค่ะรู้สภาวะ ท, ท, ที่ไม่เป็นกลางค่ะดูแต่ใจที่ไม่ชอบนะั่นแหละค่ะ แต่ว่าพอมีพอเหมือนกับว่ามีอะไรมาคลายปุ๊บมันก็หายตอนแน่นอนไม่มีอะไรคงทนตลอดไปหรอกค่ะแล้วก็อีกคําถามนะะึงค่ะหลวงพ่อพอดีเมื่อคืนตอนหนูนอนนะคะมันมีนอนแล้วเหมือนฝันไปแต่ว่ามันมีอะไรที่มากระทบอารมณ์อะคะ่ะทำให้รู้สึกกลัวมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นเห็นร่างกายตัวเองแต่คือกระดิกไม่ได้อตอนแรกหนูก็คิดว่าผีอั้มไม่อั้มหรอกนะ <laughs> แต่ว่าพอรู้ตัวว่าเอ๊ะไม่ใช่ผีอำนะก็ร่างกายก็กระดิกได้อ่ะคะ่ะค <c oughs> ือร่างกายมันหลับจิตมันตื่นมันแยกออกเกี่ยวกันได้ค่ะ <c oughs> ร่างกายนอนไปไงั้นแหละในจิตมันตื่นแล้วมันก็เห็นร่างกายนอนสั่งให้กระดุกระดิกไม่ได้มันหลับอยู่ ค่ะแล้วก็พอนอนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะพอนอนปุ๊บมันเหมือนกับมีอะไรมาเหตุการณ์มาบีบหนูให้หนูรู้สึกกลัวมากๆอะคะ่ะกลัวมากๆหนูก็รู้ว่าหนูกลัวมากเลยกลัวมากก็ไม่รู้จะทาไงก็เลยมองไปพอมองสักพักเหมือนกับว่าร่างกายมันความกลัวมันหายไปอะคะ่ะมันก็ร่างกายมันเบาขึ้นเออนั่นแหละเกิด อ, อะไรขึ้นก็ดูเข้าไปตรงตรงรู้ไปตรงตรงเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์นี้อีกครั้งที่สองะคะ่ะพอครั้งที่สองปุ๊บพอ แต่ว่ามันจะเลวกว่าครั้งแรกอะค่ะรู้สึกว่าอ้กลัวกลัวปุ๊บมันก็ร่างกายมันเบาเบาเสร็จครั้งนี้ก็นะตื่นเลยอะค่ะหัดเจริญสติในชีวิตประจําวันให้เยอะไว้นะค่ะอาการที่เล่าๆส่วนใหญ่จะเป็นผลของสมาธิเท้านะั้นะนั้นพยายามมีสติอยู่กับชีวิตประจําวันนี่แหละให้ใจมันเคลื่อนไหวนะอย่าไปกดให้มันนิ่งค่ะแต่ว่าหนูไม่ทราบว่าจะทํำยังไง่ะเราไปคุยกับคนเล่นบ้างไปทํากิจกรรมต่างๆ แล้วก็ดูใจที่มันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอย่าไปให้มันนิ่งนะดูมันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงดีกว่าอ๋อค่ะว่าหนูก็รู้สึกกันว่าติดติดมากเลยสมถะอ้าวร้อยหนึ่งเบอร์ร้อยหึ่งขอบคุณค่ะอยู่ข้างหลังนู้นร้อยหนึ่งเอาใครเบื่อแล้วยกมือใครง่วงใครง่วงยกมือวันนี้มีอิจฉาใครบ้างยังเวลาเข้าส่งกันบ้านมียังคนไหนวันนี้อิจฉาแล้วยกมือ โอดีอัดดูสภาวะไม่มีอะไรหรอกอ้าว่าไปที่ผ่านมาโมหะเยอะมากอะค่ะแล้วจิตไม่ค่อยตั้งมัน่นใช่มันไม่มีแรงมานะไปทาในรูปแบบไหมไปเดินจงกรมเดินแล้วจะมีแรงหรือไม่มีแรงก็ช่างมันเดินเล่นๆไปเรื่อยแล้วก็มันจะได้แรงเยอะแล้วก็จะเห็นว่าบางทีเจอเรื่องไม่ชอบเนี่ยจิตมันออกไปอยู่ข้างนอกเลยอย่างนี้มันห น, น, นีให้รู้ไปนะไปเคลื่อนไหวไปเดินไหม ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่เนี้ยจิตมันลอยๆยหนีไปมันกลัวทุกข์อ่ะมันหนีร่างกายมันก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยก็จะเกินแหละกลับมารู้สึกอยู่ <c oughs> นะในร่างกายอย่าให้ให้ไหลเจ้าออไปให้นอกกลับมาอยู่ที่กายไว้รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าให้เกินออกไปตอนนี้หนีออกไปแนละ้วไม่มีแรงมันไม่มีแรงด้วยแล้วมันกลัวทุกข์ด้วยก็เลยหนีไปไปนอนนิ่งๆอยู่ตัวเนี้ยสบาย <c oughs> สบายนยายนี่แมวนะมีหน้ามันรู้สึกสบายเบาๆ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละอย่างเยเออไปทั้งวันอะนะไม <c oughs> ่อาอะรอยี่สิบปดมาสการครับหลวงพ่อครับออผมฝึกปฏิบัติม า, าระยะหนึ่งแล้วผมเห็นความทุกข์มันหล่นไปต่อหน้าต่อตาเลยครับคือมีอยู่วันหนึ่งอะผมทำงานแล้วผมเครียดมากตอนเย็นผมโทรกลับมาหาแม่บ้าน จะถามว่าฝากเสื้ออะไรปรากฏว่าลูกชายร้องไห้ใส่โทรศัพท์ฟ้องผมบอกว่าซื้อกระเป๋าให้แม่แล้วแม่ไม่เอาความทุกข์ของผมนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลยครับเหนื่อยงานแล้วก็เนหนือหน่อยเรื่องของครอบครัวเหนือหน่อยใจตอนเย็นขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็นึกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปต่อว่าแม่บ้านกับลูกชายว่าเนี่ยฉันทํางานเหนื่อยนะเธอก็ยังให้ลูกมาร้องไห้ใส่ฉันอี่ฉันนี่เหนื่อยเป็นสองเท่าสามเท่า ใจมันก็เป็นนึกถึงคําพูดของพ่อว่าอะไรก็เรามีเราอยู่ตัวเบลเลอร์เลยอืใจมันก็หวนเข้ามาหาว่าอะไรก็มีฉันนี่ฉันตัวเบลเลอร์เลยอืพวกเขาที่มันทับอกมันหล่นไปเลยครับนนั่นแหละบบโปง่งโล่งเบาขึ้นมาเลยครับอืนั่นแหละดูอย่างนั้นนะครับเวลาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้ทันเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนไปใช่ครับรู้สึกไหมความทุกข์มันอยู่ห่างๆใช่ครับนะ ออแล้วเมื่อวานนี้ผมไปบริจาคโลหิตแล้วก็บริจาคเอไวเยวะมาวันนี้ผมเอาบุญมาฝากหลวงพ่อกับญาติธรรมญ า, าติธรรมใ น, <า>ในสวนสันติธรรมนี้ทุกท่านครับโอ้โมทนาสาธุสิสาธุสาธออุดีจังเลยกำไร <laughs> แล้วก็อีกอย่างครับหลวงพ่อครับยังไม่จบเหรอยังครับ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 ถ้าเราเข้าใจเมื่อไหรนะเราก็คือผู้รักษาสืบทอดศาสนาศา ส, สนาต้องอยู่ในใจของคนที่งภาวนานะคนที่เข้าใจธรรมะงั้นทุกคนมีความสําคัญในตัวเองช่วยกันรักษานะช่วยศึกษาธรรมะตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็สืบทอดศาสนาไปด้วยอ้าเบอร์84เมื่อก่อนนหลวงบุตเทพบอกวาหลวงพ่อไปส่งกันบ้านนะเรื่องปฏิบัติล้วนๆเลยไม่มีเรื่องอื่นเลยนะ ท่านบอกเลยถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อหลายๆคนนะท่านอายุถึงร้อยปีเลยพอฟังเราล่าเริงใจเนี่ยภาวนาอย่างนี้ล่าเริงใจกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะได้ปฏิบัติมาประมาณสัก4ี่เดือนนะคะ hmm. ก็กังคืนก็สวดมนต์เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิดูลมหายใจนะคะก็ได้สภาวะที่เห็น บ่อยๆก็คือความคิดนะคะ oh, ก็ได้ได้ทราบได้ได้มีความรู้สึกที่หลวงพ่อเคยพูดว่าจิตโปร่งโล่งเบา mm hmm. ก็ช่วงที่รู้ว่าคิดไปนะคะจะมีจะมีใจสั่นนิดๆแล้วก็เป็นเป็นสภาวะที่มีความสุขมาก mm hmm. คะ่ะทีนี้ก็มีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีฉันทะ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 อาวร้ยเจสิบเอดขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะมาเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกนั้นได้สอบอารมณ์ว่ามีสมถะอยู่นิดหนึ่งแต่ว่ากลับไปแก้ไขสามารถพิจารณาเข้าสู่วิปัสนาญาณได้นะคะสามารถเบากายเบาใจแล้วก็ระวางได้รู้ระวางเท่าทันอารมณ์ของตัวเอง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 ม่วงนอนบ่อยๆอเป็นเพราะว่าสภาวะอันใดเจ้าค่ะโอ้โดยอายุเรานะเจ้าค่ะเหมือนเป็นอย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็เป็นคเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคเรื่ธรรมดานะไม่ปฏิเสธนั้นค่ะรู้มันไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกนะคุณภาวนาเก่งนะค่ะแต่ว่าใจอ่ะใจมันเบาเกินไปนิดหนึ่งตอนเนี้ยค่ะรู้สึกไหมรู้สึกว่าใจเบาว่างสบายตัวนี้ไม่เอา นะตรงเนี้ยมันจะทำให้เราติดในความสุขอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะไม่ยอมเดินปัญญาต่อเจ้าค่นะเพราะฉะนั้นให้รู้ทันว่าใจว่างใจเบาใจสบายาถ้ายินดีขึ้นมาจะต้องรีบรู้ทันความยินดีนี้นะเบาได้ว่ <rocket. S 2> างได้สบายได้แต่ยินดีขึ้นมาให้รู้ทันให้รู้เท่าทัถานถ้ารู้ไม่ทันความยินดีในความเบาความว่างความสบายจะติดในความเบาความว่างความสบายนี้แล้วไม่เดินปัญญาละเจ้าค่ะ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 ยังมีสุขแวบๆเนี่ยยังไม่เป็นพระหลักฐานนะใช่หมายถึงว่าสุขมันก็เกิดมันก็แวบแต่มันก็ไปมันมันไม่ค่อยมีดีหลวงพ่อให้อยากให้หลวงพ่อช่วยสอนดูจิตไหลไปหน่อยอะครับตอนเนี้ไหลมาที่หลวงพ่ออ๋อใช่ไหลไม่คิดใช่ครับเนี่ยหัดดูอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่ารู้สึกดูจิตไหลไปมันดีเหมือนกันครับให้รู้นะแต่อย่าดึงครับรู้ว่าไหลแต่ไม่ดึงครับสามเจ็ดแปดครับ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 แล้วถ้าสมมติว่าโดยปกติถ้าเราเป็นคนที่ฟุ้งซ่านหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันนี่ให้ให้รู้ยังไงเดียค่ะให้รู้ที่ใจที่ไม่อยากฟุ้งซ่านค่ะให้รู้ทันจิตของเราเองข<ะ>องคุณรู้สึกไหมใจมันชอบกังวลใช่ค่ะมันเครียดเก่ง อ, อ๋อใช่ค่ะเออใช่ไม่หลอกหรอกนะงั้นทํำยังไงดีมันกังวลขึ้นมารู้มันนะมันเครียดขึ้นมารู้มันนะอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับมัน ดูมันเหมือนเราดูคนอื่นนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวจะสบายที่หลังนะค่ะ อ, อ, อยากก่าเกาะนะคะขอหลวงพ่อให้ช่วยดูว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราขยับกายแล้วรู้ว่าจิตหลายนี้ต้องเป็นยังไงอะคะ่ะขยับไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจิตต้องไหลไปที่กายอย่างเดียวหรอกไหลไปในความคิดก็ได้ภาวนาไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่รู้ทันสภาวะนะรู้ทันรู้ด้วยความเป็นกลางเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ต้องดีต้องวิเศษอะไรหรอกงั้นการที่คุณเห็นสภาวะนี่คุณใช้ได้ละร้ 1. 1> อ, อยี่สิบเอ็ดครับขอโอกาสครับก็ไม่ทราบว่าที่หลวงพ่อให้ไปแก้ตรงประคองตัวผู้รู้ไว้ครับผมกลับไปผมว่าผมคลายออกได้คลายออกแนละ้แต่พอคลายออกแล้วกิเลส ข, ขึ้นมาใช่เยอะมากเลยครับใช่ยิ่งเราไปจับเอาไว้นานนะกิเลสยิ่งสะสมไว้นานเลยเป็นคิดออกเบีย้ยด้วยนะคิดเยอะเลยครับนานแหละ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 เดินแล้วดูจิตหลไปใช่ได้ใช่ได้ภาวนาดีขึ้นนะครับร้อยสิบเจ็ดกลับหลวงพ่อครับจะรบกวนให้ช่วยดูของลูกสาวฮะคือเขานนี้ฮะไม่เห็นเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะเห็นแต่ปลายนิ้วดูยากคือเขาเานั่งนับรูกปรมคำแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นจิตวิ่งไปทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะต้องให้เขาทำยังไงต่อหรือเปล่าฮะมันเห็นจริงๆนะแล้วก็ต้องทำยังไงครับ ก็แค่รู้ทันว่าจิตมันวิ่งไปแค่รู้ทันนะแล้วก็มานับประคำต่อแล้วเดี๋ยววิ่งอีกรู้อีกวิ่งอีกรู้อีกให้ให้เขาทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมทำได้ทำนับประคำไปนะใจวิ่งไปแล้วก็รู้เดี๋ยวมานับอีกวิ่งอีกก็รู้อีกไม่ได้ห้ามนะอย่าให้จิตไปเกาะ อ, อยู่ที่ลูกประคำก็แล้วกันอายุกี่ขวบอ่ะ0ิขวบครับเออใช้ได้แล้วนะครับอเจ็หขอของพ่อนิดเดียวว่า ผมยังขึ้นเขาอยู่หรือว่าลงเขาไปแล้วฮะให้ hey, จะลงขึ้นเขาลงเขาทําไมละ่ะไม่ไม่แน่ใจคือมันยังดูเหมือนวนๆอยู่เหมือนเดิมไนะหมเลยไม่แน่ใจว่ายังถูกทางอยู่วะฮะยังถูกอยู่ยังถูกอยู่ครับคนนี้เบห้เวลาภาวนานะบางวันก็เจริญบางวันมันก็เสื่อมเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกเจริญอย่างเดียวคนสุดท้ายละที่เหลือเ ต, ตรียมดีใจไว้ท้ <c oughs> อแท้ใจเต็มทีะ่ะอ้ว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 พอหลังจากอาทิตย์นั้นมันก็หายเบื่อมันก็กลายเป็นเหมือนมีความสุขอยู่ในช่วงหนึ่งและแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือหลงไปกับโลกมากเลยค่ะ ม, มันเหมือนไม่รู้อะไรเลยค่ะมันมมแบบหลงโลกมากแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่ามันรู้นอกๆมันไม่ถึงฐา น, นะคะมัน ก, นกนระจายเราต้องสม่าเสมอนะทุกวันแบ่งเวลาภาวนาะสม่าเสมอจะทาให้เราไม่หลงโลกนาน